บางทีเราทำงานไม่ได้ปฏิบัติตลอดอการที่ผ่านเมื่อวานมาวันนี้ก็อาจจะค่อยๆเข้าที่มากขึ้ น, น <c oughs> เป็นเหนีเข้า <c oughs> <c oughs> ที่มากขึ้นนะเดี๋ยวพี่อุชนะเป็นไงบ้างกตว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงยังไง <c oughs> จริงๆคำว่าปกติเนี่ดีนะเดินได <c oughs> ออนดอก็ดีปกติเดินได้นั่งได้นเนออี่ยเป็นคำตอบที่ดีนะเมื่อที่เราสังเกตพุดลุกพุดนั่งเพราะนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขเนี้นะ <c oughs> นั่นนคือการเดินได้นั่งได้เนี่ก็ถือว่าดีมาก ๆ, <c oughs> ๆแล้วอยู่ในสภาาะไหนก็ อยู่ได้ตรงนี้จะเป็นสำคัญว่าคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราสร้างนิสัยนะสร้างนิสัยของการที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็เราสามารถที่จะเวยโอกาสของการทำนั้นๆเนี่ยภาวนาไปด้วยในการทำทางกายเราก็สร้างใช่ไหมครับตัวดูทางใจ ะะซึ่งการสร้างตัวดูเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เราไม่ทําอะไรอย่างเสียเปล่าเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีการได้ได้เห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยฮะได้ได้ก้าวหนะ้าไม่งั้นก็เหมือนกับเราก็จะเบื่อนะเบื่อทํางานเบื่อ น, น, นู่นเบื่อนี่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกระบวนการของการปฏิบัติธรรม เติมเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจารย์ขงพลก็จะเน้นว่าเติมความรู้สึกตัวเข้าไปทําอะไรก็ได้เติมความรู้สึกตัวเข้าไปตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกันเราก็จะอาศัยการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะะตรงเนี้ยตอนเดียวช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็อาจจะได้ปฏิบัติกันเป็นช่วงช่วงยาวๆน ะ, ะจะได้ปฏิบัติอิสระกันตั้งแต่ หลังอาหารเที่ยงอาจจะมาเจอกันกราบทักด้วยกันสักหน่อยหนึ่งแนละ้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตอนภาคบ่ายเนี้ก็จะได้ยาวที่สุดเช่ยงรายที่สุดพรุ่งนี้ก็มีเวลาไม่มากนะก็ลองมีอะไรมีข้อสงสัยมีข้อติดขัดนะฮะถามกันมีมครัมีข้อติดขัดมีข้อสงสัยนะ <c oughs> ต้เนยแ น, น, ยนะแ น, นำแนะนผู้ปฏิบัติเก่งเนาะบติทำก็ปฏิบททัติบทบสองวันก็พอใจแล้วไม่ม้อสงสัยเลยแต่มาปฏิบททัติเป็นไปนะถึงจะมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายบางทีการเ ส, สนอ ท, ทำมันก็ความสงสัยมันก็เป็น ตัวที่ขวางกันเหมือนกันมีแต่ลังเลสงสัยแล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าไปถึงตัวที่ตัวรู้หรือว่าตัวสติจริงๆแต่ไม่สงสัยก็ดีบางทีมันก็เฉลยไปเองครัแล้วก็่อคำเขียนเราเคยเก็นเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าแต่ก่อนไปปฏิบัติใหม่ก็ต้องปู่เทียนหลงพ่อก็สงสัยอยากะถามห้องปู่หลวงปู่เทียนห้องปู่เทีย น, น, น, น, นก็ไม่ค่อยได้อยู่ห้องปู่เทียนก็ไปสอนทำที่โน่นที่นี่ แต่วพ่อก็ใช้สติเนี่ยใช้การปฏิบัติบุกปฏิบัติไปก่อนถึงจะสงสัยยังไงก็เอาไว้ก่อนปฏิบัติไปก่อนพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ก็มีความคล้ายๆว่าเกิดปัญญาแล้วก็คล้ายๆมีแก้ปมเองเลยเพราะว่าอ๋อคล้ายๆว่าถึงบังอ้อพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ไม่หายสงสัยเอง ก็ไม่ต้องถามคุงปวดเทียมก็มีหลงพ่อเคยเล่าให้ฟั ง, งทีมมันก็เกิดความสงสัยเยอะแยะมากมายแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อาศัยความปฏิบัตินี่แหละก็เฉลยไปเองแต่บางทีมันก็อาจจะมีครูบาอาจารย์หรือว่าจากถามบ้าง ก, ก็ดีนะบางทีเอ๊มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมมัน เราปฏิบัติอันนี้ถูกไหมมันต้องมีเหมือนกันนะความที่อ่าเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอย่างอัตมาก็ปฏิบัติใหม่ๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็มันแบบว่าคล้ายๆว่ามันจับหลักก็ยังผ้าๆฟังฟานอยู่ว่ามันทําถูกหรือเปล่ามันมีสติจริงหรือเปล่าอย่างนี้แต่ก่อนนะปฏิบัติมันมันคล้ายๆว่ามันความมันคล้ายๆว่าชิด แต่พอมาฟังหลวงปู่เทียนจริงแล้วหลวงปู่เทียนว่ามันไม่ได้คิดเพราะว่าเราปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างเรามือเนี่ยกดไปอย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติถึงกับปัจจุบันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่นี้ใช่ไหมแล้วเราอ่าเราคิดถึงที่เราอยู่ที่กุติหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพอันนั้นแ่ะคือความคิดมันค ล, คล้ายกันมากแต่เนี่ยท่านถึงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบัน ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยมันก็เราไม่ได้คิดอ่ามันเป็นสติมันเป็นความรู้สึกตัวจริงจิมันเป็นปัจจุบันจริงจริงเอแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดเรานอนอยู่เราฝันไปก็น่ากระตัวคิดเหมือนกันตัวฝันก็เหมือนกันตัวฝันกับตัวคิดเนี่ยตัวเดียวกันหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวตัวเดียวกันมันกับว่าติดเราเนี่ยบางครั้งมันก็ คนที่คิดมากทำงานมากแล้วก็ไปนอนฝันต่อจิตก็ไม่ได้พักไม่ได้พักผ่อนท่านก็จะว่าเหนื่อยกายก็ยังหลับสนิทนะแต่เหนื่อยจิตนี่หลับไม่ลงมันแบว่าจิตมันทำงานตลอดเวลามันวางวางข่อยวางไม่ไม่ไม่ได้คิดคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับจินไม่ได้ ถ้าเกิดเรามีกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องกลัวแม้กระตั่งคิดเราก็สามารถที่จะรู้ได้รู้จักความคิดหรือว่าบางทีคิดมาอาจาระ์คพนก็จะบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งจัจารย์คำนก็ให้พูดได้ดีเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันอยากจะคิดก็คิดไปเราก็จะรู้อย่างเดียวเนี่ยแหละมันกับว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันอยากจะคิดคิดไป เราก็จะรู้อย่างเดียวเนี่ยนะพอพอเรารู้มากรู้มากเออมันก็หายไปเองไงไอ้ความเคิดนั่นนะเออถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยเราก็ยิ่งเข้าไปเป็นกับความายิ่งเข้าไปอยู่ในความคิดยิ่งวุ่นวายยิ่งเครียดไปอีกจากคิดคิดไปเราก็รู้อ่าเรามีหน้าที่รู้รู้รู้รู้ ร, รูอย่างเดียวเหมือนกับหลงพ่เขาบอกว่าแสงความมืดนี่ไม่ต้องไปทําอะไรอพอเปิดไปหรือว่าจุดเทียนเดี๋ยวอความมืดก็หายไปเอง แสงสวา่างการปฏิบัติธรรมเหมือนกันว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดเราจะแก้ไม่ได้เราพอให้เราเจริญสติอย่างเดียวเจริญสติไปแล้วนะเข้าไปจัด ก, การของเขาเองเห <c oughs> มือนกับเรากินข้าวกินน้ํำนี่แหละเราไม่ต้องไปแยกว่าเอออันนี้จะเป็นเป็นเลือดอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นโปรตีนเป็นอะไรเรามีหน้าที่อกินไปคลายผ่านไปแล้วแล้ ว, ล ว, ลวเขาเ้าก็ไปแยกส่วนไปนี้ของเขาเอง ดีก็เราอยากจะไปรู้ว่าเอ๊ะอันนี้คือไปทําอะไรไปไปเป็นอะไรไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรเราไม่ต้องเมือนกับทานอาหารไปอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอิ่มตอนไหนพอทานไปทานไปมันอิ่มเป็นแล้วเราก็รู้เองอ่ะแหะ ว, ว่าเราอิ่มตอนไหนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรหรอกบางคนก็ยิ่งปฏิบัติไปก็เมื่อไหร่จะบรรลุตั้ที มันทำไมมีแต่ปฏิบัติไปแล้วมันมีแต่ความคิดมีแต่ความเครียด <g ül> ก็มีโยมอ่าผู้ปฏิบัติธรรมไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปสอบอารมณ์นะประธานอย่างนี้แหละว่าเป็นยังไงปฏิบัติธรรมวันนี้ก็บอกหลวงพ่อว่าโอ้ปัณณนี้หนูเอเครียดอปฏิบัติแล้วเครียดอทั้งวันเลยคิดทั้งวันเลยปฏิบัติแล้วเครียด หลวงพ่อเขบอกว่าพูดใหม่หลวงพ่อไม่ได้สอนอย่า ง, งานัน้นเวลามันเครียดก็ให้มีสติให้อยจะเข้าไปเป็นให้เป็นผู้ดูหลวงพ่อบอกให้พูดใหม่พอผูอ้ปฏิบัติธรรมก็ได้สติมาอ๋อให้เห็นให้เห็นหนูเห็นมันเครียดหนูเห็นมันเครียดอย่างนี้มันก็โล่งก็เบาแต่ถ้าเกิดไปเป็นผู้เป็นแล้วมันก็จะเครียดแล้วก็ ไม่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติก็ยาก <c oughs> ก็กค่อยๆไปนะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราดัดอะไรสักอย่างหนึ่งเน่ยดัดไม้ไผ่ดัดอะไรเราก็ต้องใช้ความร้อนที่จะต้องเผาหรือว่าลนแล้วค่อยๆดัดมันจะดัดหนักเอาเลยทีเดียวมันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ก็ถ้าชิดดูแล้วก็ถ้าเราย้อนได้นะไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาตินะที่เราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า แต่ละคนนี่กระดูกกองเข้าภูเขาอะนะถ้าไม่ไหม้ถ้ากองกระดูกไว้อยู่ตรงนั้น <c oughs> เรียนไม่ตายเกิดเดี๋ยการที่เราได้มรเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เราก็ได้ทําบุญไว้ก่อนนะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบททัติทแล้วก็ทั้งพ่อก็จะบอกเหมือนกับเราดูเมื่อคืนเนี่ยที่ต่อที่ดูวิดสือวิดีโออเอาบุญไปต่อเอาบุญแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรามาปฏิบัติตอนนี้าชาตินี้หรือว่า ตอนนี้เราไม่ได้เห็นท ร, รมากก็ไม่เป็นไรก็ต่อไปอชาติหน้าแล้วก็เอาบุญไปต่อบุญไปเอง ก, ก็ให้พวกเราไปยามต่อไปอย่าเพึ่งท้อแท้ทสบายๆตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราตันบ่ายเราก็ตั้งใจปฏิบัติกันตั้งใจปฏิบัติกันแล้วก็ เรื่องปัญหาเรื่องหลักๆความชอบความชังนะแล้วก็ระวังระมัดระวั ง, วงชอบก็คิดชังก็คิดนะตรงนี้ก็ให้เราให้เราบางทีเราเลือกอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้นะฮะก็อยากอีกละคิดอีกละอะไรตรงนี้นะฮะก็ให้เราการเพียนที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าคิดปุ๊บก็ละมัาก่อนรู้ว่าคิดปุ๊บก็ละมัาก่ออย่าไปหาดูว่าคิดอะไรนะ หาดูนานมันก็ชอบมันก็ชังแล้วมันจะนั้นคือละมาก่อนเพียงที่ถูกต้องคือ ก, การละความคิดแล้วก็ตรงนี้นะครเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เราทําให้เคยชินแล้วเราก็จะปลอดภัยปลอดภัยจากทุกศกลบภัยปลอดภัยจากความไม่สบายกายไม่สบายใจปลอดภัยจากเขาเรียกว่าความเดือดเนื้อร้นใจทั้งหมดนะ ค, ะนะครัแล้วเราก็เตรียมตัวฉันเพลินกัน กต็จะพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้เรานะมีข้ออ้างที่จะหยุดการปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าความตั้งใจในการปฏิบัติของเรายังสามารถต่อเ น, นื่องนดะ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนั้นถือว่าดีมากๆเนละนะคือไม่ว่าจะง่วงก็ขอปฏิบัติต่อไม่ว่าจะหมดกลับไม่ว่าจะยุ่งกัดอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะ เดินหน้าในการปฏิบัติต่ออันนี้ถือว่าดีที่สุดแ้ ม, นะมันก็หายเลยคันๆอะไรอย่างเงี้ยคนะือเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่หมอนบางครั้งพอพลังกลับมาสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยบางครั้งก็จะมีสิ่งที่เราพบแบบไม่เคยไ ม, ไม่เคยคิดอย่างเงี้ยบางที การเจ็บคันคบางคนก็มีนะแบบว่าเรียกว่าคือนี่ทำไมมันถึงได้มีมากมายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เมื่อก่อนมันก็อาจจะมีแต่เราไม่ได้สนใจพอเราสนใจมันก็มีมากมายนะเ <c oughs> รียว่าบางทีเราก็พอเราสนใจนะเราก็เห็นก็เรียกว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ถับไปของมันอย่างเงี้ย น, นะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่นี่คือผลผลพวงของการของการมองเห็นมองเห็นเข้าใจสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาในตัวน้อมากขึ้นเมื่อตอนที่น้องพ่อต้องเขียนได้สองพราได้สองพราเนี่ยน้องพ่อเขียนก็ได้ได้รับจดหมายจากยมแม่นะบอกว่าป่วย <c oughs> ลุงพ่อเขียนคำความที่เหมือนกับไอ้กายอยู่กับยมแม่มาตั้งแต่สิบขวบที่ยมพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยลุงพ่อก็ก็ห่วงค่อนข้างเป็นห่วงพอบอกป่วยเนี่ยครก็รีบรีบกลับไปบ้านไปดูแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยการกลับไปบ้านครั้งนั้นก็เป็นการกลับไปบ้านที่หลุงพ่อก็ได้เปเทศต์นะได้ไปเทศต์ผ่าผ่าก็ตั้งใจว่าที่คาว่ า, าจะพาโยมแม่ ให้เข้าใจกันปฏิบัติธรรมเพราะว่าย่มแม่เมื่อก่อนจะเป็นเรียกว่าเป็นร่างทรงเป็นเป็นร่างทรงก็เนี่ยก็พอปรากฏว่าพอไปกลับไปที่บ้านปรากฏว่ายมแม่ไม่ได้ป่วยหรอกก็มลใครว่าจะให้ลูกคิดถึงคิดถึงก็เลยคล้ายๆเขียนจดหมายไปบอกอะไรเงี้ยนะเขียนจดหมายไปก็หลวงพ่ อ, ก, อก็พ า, พาเรียกว่า พายมแม่คนหนึ่งพาผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแล้วก็น้าอีกสองคนนะครับไปที่ไปที่วัดแต่ว่าก็ไม่ได้เลยก็เรียกว่าไม่ไม่ได้พาไปในอากวงอาคารพาไปปฏิบัติธรรมกันใน ป, ะนะป่าช้าวัดคะปรากฏว่าหลวงพ่อก็ไล่แงบว่ายมแม่เนี่ยก็เป็นคนกลัวผีมากเลยนะย่อม <c oughs> ไม่ไมคุ้นเคยใช่ไหมคนระับ <c oughs> แต่ว่าก็คือหลวงพ่อก็เหมือนจะตั้งใจว่า เราเนี่ยเข้าใจทําแล้วก็จะพาให้คนจะพาให้อย่างร้อยที่สุดก็ต้องสอบแทนโยมแม่บ้างอะไรบ้างแล้วก็เทพแรกเนี่ยเทพหลวงพ่อเทพให้กับที่โยมแม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็น้ยอีกสองคนฟังก็คือหลวงพ่อเทพว่าเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจเจ้าร่างกายจิตใจเดียที่ได้มาจากโยมแม่เนี่ยมาทําแต่คุณงามคำดี แล้ตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทาง อ, าอะไรนะก็เรียกว่าทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่บ้านทางที่บ้านนะาอาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใครเทศแบบนี้ <harma S 1> นะก็รู้สึกสะดุดหูมากมากแล้วก็เลยนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยเทศเทศเป็นทางการให้กับชาวบา้านฟังปรากฏว่าก็ได้สาวัตรเนี่ยเทศเป็นทางการ ก็ปรากฏว่าการเทศเป็นทางการครั้งนั้ น, นทําให้เจ้าอาวาสนะฮะแบบว่า <c ười> คือคิดว่าเป็นเป็นการเทศ อ, อีกแนวทางหนึ่งเลยเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับเป็นอย่างทางการปฏิบัติของเราใช้ชีวิตประจําวันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายกับสิ่งะต่ตานานาเหล่านี้แล้วเจ้าอาวาสเก่าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านก็เหมือนกับมีครอบเครื่องรางของคลังนะคือหลวงพ่อเองเขาละทิ้งพวกนี้เพราะว่าหลวงพ่อก็เคยใช้เรื่องพวกนี้มา ก, กอ่อนปรากฏว่าเนี่ย จเจ้าอาวาสก็ไม่พอใจอย่างยิ่งนะแบบว่าตั้งแต่นั้นมาก็ปิดประตงวัดนะไม่ต้อนรับ <c oughs> ไม่ ต, <c oughs> ต้อนรับเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับในทางการปฏิบัติธรรมเราก็จะมองว่าการที่เมื่อก่อนเมื่อก่อน่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกว่ากิเลสมันก็จะใช้ร่างกายนี้ใจนี้นทําตามความอยากอะกิเลสอยากทําอะไรก็ใช้กายนี้ใจนี้ทําไปจะไม่ใช่เหรอ เระฉะนั้นนี่คือตรง น, นี้เขาเรียกว่าร่างกายจิตใจที่ได้รับมาจากปุบกาลีตรง น, นี้เราก็เอามาใช้แล้กวก็เรื่องที่เป็นอุปสงทั้งหมดนะคือเรียกว่ายัางไงไก็ยังไงก็ตามก็ไม่พ้นความยากเพนั้นเดือดเงิอล้อนใจก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่พ่อหลวงพ่อเองนะได้ได้พูดเรื่องนี้ไปก็เป็นที่สะดุดหูแล้วก็เป็นที่ที่เป็นการแสดงความกตัญยูที่บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเนาะ เรารับพ่อรับแม่เนี่ยไม่พอแต่ว่าการที่เราจะว่าเอาร่างกายจิตใจที่ได้จากพ่อจากแม่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ไม่ทําให้คนอื่นทุกข์อะไรอยงี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ก็น้อาาาพงพ่อก็ว่าว่าได้ผ่านยอพ่อยอมแม่ได้ได้ผ่ายอมแม่แล้วก็พุกพี่น้องน้าๆอะไรอย่างเงี้ยได้ปฏิบัติทํากันแล้วก็พวกเขาก็พอเข้าใจกันพอที่จะแบบาว่าพาตัวเอง เหนกับพาตัวเองรอบพ้นได้อยรองเนะครับก็เนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืคืออย่างเงี้ยพอเราเข้าใจตัวเราเข้าใจใจเราเราก็จะเอาเครื่องมือที่เรียกว่ากายที่เรียกว่าใจตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ก็อย่างที่ว่าว่าหนึ่งก็คือไม่ทําให้ตัวเราเองทุกข์เมื่อไม่ทําให้ตัวเราเองทุกข์ก็จะไม่ทําให้คหนอื่นทุกข์เมื่อไม่ทําให้คหนอื่นทุกข์นี่คือ การทำปฏิบัติธรรมหนึ่งอย่างเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์เราแล้วก็ประโยชน์ทั้งในครั้ ง, งนะี้เพราะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่นี่คือการรับผิดชอบนะความรับผิดชอบตัวเราเองแล้วก็ความรับผิดชอบกับคนอื่นที่ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดคุณโยม มั่งก็เ <Hayır> ข้ามารบกวนฮัลลาเดงก็ใช้แรงแรงมันก็ออกไปออกไปต้อเรียนเข้ามาลงวัดสามสี่ครั้งก็หายกันแล้วกระดีนะกระดีอุบายเพราะว่าพระุทธเจ้าก็เคยมีอุบายที่มอบให้กับพระโมคคัลลามีอุบายว่า ใช้ขนนกแยบหูก็มีนะกลงจักรจี้ดีนะเก็ตรงเนี้ยก็เราก็ใช้อุบายหลายหลายอย่างนะตรงเนี้ยก็อย่างที่เราอย่างที่เราทํากันก็คือหนึ่งนะเรานอนให้เต็มอิ่มถ้านอนให้เต็มอิ่มเราก็จะรู้เลยว่าความง่วงที่มันตามมาทีหลังนี่คือก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องของจิตเล็ทั้งหมด นะเป็นเรื่องของการดิ้นรนของตัวเิเรที่จะทำให้เราเนี่ยออกเขาเรียกว่าละเลิกการปฏิบัติธรรมอย่าง ม, มันมันมีมันมีคำพูดที่พูดถึงเรื่องของแบบว่าการเขาเรียกว่าการขัดขวางการปฏิบัติธรรมในทุกลูปแบบเย น, นะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้องจนจบกระบวนการ ใช่หมครับต้องเรียกว่าคือการดิ้นลนของกิเลสเนี่ยเพราะว่าก็อาจารย์โนธก็เคยเปรียนนะเหมือนว่ามันมีก้นอี้อยู่ตัวเดียวใช่มครับก้นอี้ก็คือเหมือนร่างกายจิตใจเรามีเท่านี้เองนันวันที่ผ่านมาตัวกิเลสมันมันนั่งก้นอี้นี้อยู่เนี่ยใช่หมครัสติก็นั่งไม่ได้แต่พอสติมาขอมาขอนั่งบ้างเป็นระยะระยะกิเลสก็ต้องดิ้นลนนะครับก็ตั้งถ้าหากว่าเข้าหลุดแต่งตัวนี้ไปเขก็ไม่มีอยู่ โดยการปัญญานั้นตรงนี้นะฮะก็ให้เรารู้ว่าในกระบวนการการปฏิบัติธรรมเนี่ยกระบวนการที่กิเลสเนี่ยก็จะยื้อแย่งพื้นที่เนี่ยก็จะมีอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือตรงนี้เราเองเนี่ยคำว่าประมาทไม่ได้ก็คืออย่างนี้มันมีคําคำหนึ่งที่เป็นคําที่บอกว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเพื่อกันว่าให้กําลังใจเรา ถึงแม้ว่าวันนี้เราคินว่าเราดีกว่าพันก่อนแล้วก็ตามเนยแต่ว่าสิ่งที่นที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกเรายังสามารถทาได้อีกนะครับจรตดีิถ้าเที่ยวกระเดือนที่แล้วเยังไงจะเอาตัวไม่รอด ในช่วงระบวางเดือนได้มีโอกาสปฏิบัติก็พอกลับไปก็อยู่เหมือนแบบติดต่อกันมาแค่ทีเดียวจากนั้นก็ก็ไม่สนาวังสบูรณ์นะพอมาปฏิบัติอีกทีก็เริ่มใหม่คือถ้าอย่างถ้าอย่างสมมติถามว่าเราพยายามจับเวลาเล็กๆน้อยๆนะให้ได้ปฏิบัติในรูปแบบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ที่ดีมากคือเหมือนกับว่าอยากนอนที่สุดตื่นนอนก่อนมอนตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยให้ได้ปฏิบัติมากน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่ากำลังเร็วกันถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัตินอกรูปแบบได้ก็เป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเหมือนกันนะฮะว่านั่นคือเราจะมีมันจะมีเรจะมีโอกาสทั้งวันนะในการปฏิยืนเข้าหน่อยรอ โ็นดีเลดหลอกหรือหลอกตัวเองมากค่ะก็เนี่ยจะคิดว่าไม่เป็นไรผ่านวันประกันพรุ่งองจจะปฏิบัตินอกรูปแบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงปฏิบัติจริงก็ขาดไปอีกแต่ยิงว่าปฏิบัตินอกรูปแบบสําหรับงานที่คนเมืองอะยากมากเลยเพราะงานเราเป็นงานใช้ความคิดมันไม่เหมือนทํานาทําไร่อะไรเงี้ยที่มันเป็นงานเลเบอร์อะค่ะหญิงว่านะมันก็มีส่วนนะแต่ว่าอย่างอย่งอย่าง เคยนึกภาคเมื่อก่อนนะครับคือเราก็มองเห็นนะว่าอย่างสมมุติถ้าว่าเราได้ได้ลองได้ลองคำพูดนะการที่เราตั้งใจคิดกับการที่เราหลงไปคิดการหลงไปคิดก็เยอนะ <c oughs> ใช่ไัมครับพี่แจนนั้นนี่คือมันเอนกันว่าถ้าหากว่าเราได้ใช่ไหมครับดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกอย่างเงี้ยนะฮะ บ, บางทีเราก็จะได้พอมี โอกาสได้เห็นความหนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆเพราอย่างเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งการทำตั้งใจทํางานงชัดชิ้นหนึ่งเนี่ยเราบางทีจะคิดตอนที่เวลาเกือบหมดอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮ <c oughs> แล้วก็คือเหมือนกับว่าก่อนหนไ้ไม่ก็ดีคิดอะไรเท่าไหร่แต่พเวลามันจะหมดเนี่ยมันเดี๋ยวเดียวเสร็จเลยฮะแต่อเวลาตั้งท่าเนี่ยโอ้โหนานจักเลยนะหรือย <t> ั <t> แล้วเราก็ไปเสียเวลางลงไปนั้นนี่ตอนยนทํางานโยมใช้แบบนี้พอจะจะปากปารลงไปเนี่ยโยนเรียกสติก่อนแล้วตอนนั้นเมื่อทำเมื่อมันไปเพลินกับงานแล้วแล้วไปแต่ว่าจะปากปากปั๊บเราเรียกสติมาก่อนอย่างเดียวเล่นแบบนี้ค่ะก็ดีนะก็ดีตั้งใจแล้วจะรู้เลยว่าการตั้งสติ กับการเขียนกับการไม่ตั้งสติกับการเขียนเนตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันเลยตัวห้ังสือการตั้งสติเนี่ยจะเรียบสวยและเสมอกันแต่ถ้าไม่ตั้งสติไปเรื่อยนะคะจะเราก็จะเช็คตรงนี้โอ้เราไม่มีสติแล้วนะเราพอมาเห็นโอ้อันนี้เราไม่มีสติเลยรนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเริ่มจะใช้ตรงนี้นิดเดียวเองค่ะโอเคอย่างเงี้ยแค่เงี้ยตอนที่ทํางานนะครอย่างบางทีก็เคยสังเกตอย่างนี้เหมือนกันอย่างบางทีเวลาที่ มีพวกมาปลูกปัามันจะต้องเขียนเขียนใบอนุโมทนาบัตรเยอะๆใช่ไหมฮะก็อาศัยอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยมันแบเวลาที่บางทีพอตัวหนังสือมันเริ่มยุกยิกเหใช่ไหมฮะมันก็ใจเราก็เริ่มใช่ไหมฮะเราก็เริ่มกลับมาได้ใหม่พอตัวหนังสือมันเริ่มยุกยิกอะไรก็ไม่ได้เพราะวาเพราะว่าความที่เราก็จะอยู่กับการทํางาน ไหลก็เอาตอนไหลไหลไปพอเรารู้ตัวเราก็ตั้งสติใหม่อะไรเงี้ยโยมจะเอาแบบนี้ตลอดก็จริงๆก็หลวงพ่ครูบาอาจารย์ก็จะแนะอนี้แล้วเราล้วไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็แล้วไปเริ่มต้นใหนั่ก็คือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยหลวงพ่อเองก็จะบอกสมาสมารเรื่องหลวงพจะใช้คําว่าปรับฉากตรับมุมใหม่ปรับฉากปรับมุมใหม่หลวงพ่อบอกเริ่มต้นใหม่ให้มันสดชื่นแจ่มใส บำวางหน้าบางตาบางท่าวางทางใหม่เริ่มต้นกันใหม่อย่างเงี้ยซึ่งในความรู้สึกว่าคือถ้าโดยส่วนตัวรู้สึกพอมันเป็นอย่างนั้นรก็พี่่ามจริงๆนะใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเออ ก, ก็ดี กบไปทุกเช้ารับพดู่ได้เี๋ยวตื่นมาเดินจงกก่อนีที่จาน้นแนะนำนะครับคำถามอะไรก่อนเรตื่นมาก็ต่อบคนถามมันก็เล็กๆน้อยๆก่อนในยส่วนตัวก็ใช้ลมหายใจพอตื่นมาก็จะแบบสูงลมหายใจเล็กๆกันฟังเ่ออย่างี้ บางทีก็เวลาเวลาไม่ได้ขับรถเองก็จะจะทําบ้างเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะว่าเนื้องานมันมันสั่งสัรรอะไรเยอะไปหน่อยนะคะหลวงอเคยพูดถึงเรื่องการขับรถใ น, นะในกรุงเทพนะหลวงพ้าบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยาการขับรถเนี่ยมันน่าจะทําให้บรรลุทํำง่ายนะเพราะมันอยู่ในนั้นนานหรือว่าบอกว่า ถ้ามันมีคนแซงซ้ายแซงขวาเยอะแยะไปหมดนะถ้าเราวังใจหน้าจะสบายเลยนะถ้าถ้าไม่ปี๊แตกก่อนแต่ว่าบอกว่าบอกอย่างนี้เลยแล้วก็จะบอกโยบิบุที่ขับแล้วนะอกไม่ต้องรียบรอยยําเลยหัวที่หัวตดำเนี่ยวลงข้อความดําขึ้นเต่หลว่าก็บอกนี้ถ้าเราขับรถไปกรุงเทพนะ มันน่าจะทำให้เราบรรลุทำง่ายนะ่นเองก็เราดูนะครับอย่างที่บอกแตาเราโวยโอกาสนะฮะใช่ะบางทีสิ่งที่ทำให้เราอารมณ์เสียมันก็ทำให้เราได้เห็นใช่ไหมฮะภาพของอารมณ์ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราคิดว่ามันก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะก็เรืยอเปลี่ยนหลงเป็นตรงนั้นแหะใช่ไหฮะตรงเดียวกันถ้เราเปลี่ยนได้ก็คือสบายเลยบาทีมันจะแรงรไม่ใช่ ติดดีเหมือนกับมันจะหลงว่าติดว่าติดดี ม, มะไรจะงั้นการแปงก็ไม่ค่อยมีแต่เรื่องตดดแต่เรื่องิดดีตรงนี้ก็ดีมากเหมือนนึกถึงฟันึกถึงรบรรลับรอบฟันมรณภาพต่ออาจารย์ยเพื่อได้ฉันึกถึงคำอาจารย์เพื่อไำว่าตัวครูของครูนี่ก็คลุมมากๆเลย ตัวกูของกูนี่กูนะอาจารย์ท่านวอค่ะอารย์ออาจารย์ก็มันก็มันก็ตรงนี้มันก็เป็นเป็นรื่องที่มันทำให้เราต้องพัวนตัวเองได้ดีก็ว่าตัวกูของกูจริงๆแล้วในบทสนทน่ก็เกือบทั้งหมดที่เราใช้กันก็เป็นอาจารย์่เป็นตั อาจารย์เก่งภาษาใช่เห็นาาเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเห็น <He S 1> เก่งภาษาอังกฤษด้วยอะ เ, เก่งนะคือภาษาที่อาจารย์เรืองใช้เป็นภาษาที่ดีใช่แล้วก็นึชื่นชมม เ, เดี๋ยวเราพบกันตอนเย็นนะครับ